คุณสมบัติของภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณีแปดอย่างหนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกขสังวรศีลถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในความผิดแม้เพียงเล็กน้อยสมาธานศึกษาสิกขาบททั้งหลายสองเป็นพู้หูสูรเป็นผู้ทรงสุตตะวงเล็บจำสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาสั่งสมสุตะวงเล็บสั่งสมสิ่งที่ได้เล่าเรียนมาเธอได้ยินได้ฟังธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดอันประกาศพรมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะครบถ้วนบริบูรณ์มากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฐิ 3. เป็นผู้ชำนาญปฏิโมกทั้งสองแจกแจงได้ถูกต้องคล่องแคลว่ววินิจฉัยได้เรียบร้อยทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้มีวาจาสละสลวยมีเสียงไพเราะ 5. เป็นที่นิยมชมชอบของ พวกพิกษุนีโดยส่วนมาก 6. เป็นผู้สามารถสั่งสอนพวกภิกษุนีได้ 7. เป็นผู้ไม่เคยประพฤติล่วงครุธรรมในสตรีผู้นุ่งห่มผ้ากาสัยะบวชอุทิตรพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 8. เป็นผู้มีพรรษา20หรือเกินกว่า20ภิกษุทั้งหลาย เ, าเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ8อย่างนี้เป็นผู้สั่งสอนภิษุณีเรื่องพระชพคีจบ